ช่องว่างระหว่างคนคือการไม่รู้ว่าอีกฝ่ายคิดอะไรอยู่รู้สึกอย่างไรต่อกันอยู่รักกับเกลียดเมตตากับพยาบาทเป็นกลางกับมีอคติมีอิทธิพลยิ่งในการทมช่องว่างหรือไม่ก็ถางออกไปอีกช่องว่างระหว่างคนไม่ได้เริ่มต้นจากการเกิดกับพ่อแม่คนละคู่ แต่นับเริ่มจากการทำกรรมมาคนละทางกรรมบนเส้นทางหนึ่งอาจทําให้คนหนึ่งรู้สึกเหมือนอยู่บนดวงดาวแต่กรรมบนอีกเส้นทางหนึ่งอาจทําให้อีกคนรู้สึกเหมือนอยู่ใต้ดินดานเวลาคุยต้องตะโกนมาจากคนละฝั่งโลกเห็นหน้ากันไม่ชัดได้ยินกันไม่ถนัดพูดไม่รู้เรื่องหรือเข้าใจกันผิดอยู่เรื่อย คนทำกรรมใกล้เคียงกันอาจเดา ว, วิจิตรคิดกันได้แม้เพิ่งพูดคุยกันครั้งแรกแค่สองสามคำในเรื่องที่เข้าใจตรงกันรู้สึกเข้ากันสายตากลมกลื่นกันแต่ที่จะเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของคนที่มีกรรมต่างกันคุณอาจต้องพูดคุยกันหลายร้อยครั้งหลายหมื่นคํากว่าจะมองเห็นสิ่งที่อีกฝ่ายมอง หรือรับทราบความรู้สึกที่อีกฝ่ายมีคนที่มีความรักความเมตตาและความเป็นกลางลักษณะจิตจะเปิดกว้างพร้อมเห็นใจอีกฝ่ายคือรับทราบว่าอีกฝ่ายรู้สึกเป็นทุกข์หรือเป็นสุขใจเย็นพอจะฟังคำพูดต่างมุมมองกระทั่งล่วงรู้ในที่สุดว่าเบื้องหลังคำพูดคือวิธีคิดแบบไหน และเมื่อล่วงรู้เหตุผลต้นปลายกระจางแล้วก็จะไม่อยากถือสาหาความกับเหตุผลที่ไม่มีทางเหมือนกันกับทั้งเห็นทางออกอันเหลือน้อยที่พอจะเดินไปด้วยกันได้ส่วนคนที่มีความเกลียดความพยาบาทและความมีอคติลักษณะจิตจะปิดแคบพร้อมแค่เอาแต่ใจฝ่ายตนคือเห็นต่ว่าฝ่ายตนเป็นทุกข์ หรือเป็นสุขแค่ไหนเอาความคิดตนเป็นที่ตั้งจนสําคัญว่าอีกฝ่ายคิดไม่เป็นกับทังไม่รู้สึกว่าตัวเองฟังไม่เป็นหือสาหาความแม้กับเรื่องไม่เป็นเรื่องรวมทั้งอยากได้ทางออกที่ไม่มีอยู่และไม่มีใครเดินได้คนสองคนนั่งอยู่ด้วยกันทาไมคุยกัน จะต่างคนต่างคิดจิตปุ้งกระจายไปคนละทางต่างฝ่ายต่างอยู่ในโลกของตัวเองเกิดความรู้สึกแปลกแยกแปลกหน้าต่อกันคนสองคนนั่งคุยกันถ้าคุยกันคนละเรื่องมุมมองคนละด้านจิตแล่นสวนกันจากคนละฝากทางจะก่อความรู้สึกเป็นคนละพวกื่อกระทั่งรู้สึกเป็นฝ่ายตรงข้าม คนธรรมดาอาศัยการพูดคุยเจรจาในการปรุงความรู้สึกให้เข้ากันหรือต่างกันนั่นเป็นเหตุผลว่าคนร่วมบ้านบางคู่หรือบางครอบครัวที่ไม่ค่อยคุยกันหรือคุยไปคนละเรื่องแม้อยู่ด้วยกันนานนับสิบปีก็รู้สึกเหมือนอยู่กันคนละโลกตัวใกล้ชิดแต่ใจแสนห่างกลับกัน เมื่อต้องนั่งกับคนไม่รู้จักแม้นาทีแรกรู้สึกถึงช่องว่างที่ขั้นกลางระหว่างคุณกับเขาแต่นาทีต่อมาอาจรู้สึกเหมือนช่องว่างถูกผมยังรวดเร็วหรือคลื่นความแปลกแยกถูกปรับให้เข้ากันได้อย่างกลมกลืนหลังจากพูดคุยทักทายชวนคุยเรื่องที่ต่างชอบใจแค่ไม่กี่คำคนเราจะอยู่ร่วมกันโดยดี คบกันได้ยั่งยืนต้องมีศรัทธาในทางเดียวกันเป็นตัวตั้งเมื่อศรัทธาทางดีสายเดียวกันก็ยอมยินดีชักชวนพูดคุยเรื่องดีๆไปด้วยกันโดยไม่เห็นอีกฝ่ายเป็นตัวตลกยิ่งถ้าหากมีศีลมีน้ำใจมีสติปัญญาคิดอ่านทันทันกันฐานความรู้สึกก็จะยิ่งกลมกลืนใกล้กันแล้วเข้ากันได้อย่างยิ่ง เป็นสุขยิ่งที่คุณจะร่วมมือกับใครในการปลูกศรัทธารักษาศีลปริน้ำใจตลอดจนร่วมแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปโดยดีด้วยสติปัญญาอันเป็นธรรมเป็นของยากไม่ว่าจะในชาติก่อนหรือชาตินี้อันหนึง่งแม้เคยอยู่ร่วมกันโดยมีศรัทธาศีลจาคะและปัญญาใกล้เกียงกัน มาพบกันอีกแล้วรู้สึกคุ้นเคยยิ่งเป็นสุขยิ่งก็ยังไม่ใช่เครื่องประกันว่าปัจจุบันจะซื้อต่อกันแน่ๆนเพราะไม่มีความยั่งยืนใดๆด้วยเหตุเก่าประการเดียวต้องเติมเหตุใหม่เข้าไปเรื่อยๆด้วยความรู้สึกระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์เป็นของเปลี่ยนได้เรื่อยๆตามเหตุปัจจัยนั่นแหละ กฎกติกาอันเป็นธรรมที่สุดหน้าตาไม่ใช่โอกาสทางความรักแต่เป็นโอกาสทางความหลงเพราะหน้าตาเหมือนแม่เหล็กดึงดูดใจให้ติดแต่ไม่ได้ประกันว่าที่ติดนั้นเป็นการเสพติดสุขหรือว่าเป็นการเสพติดทุกข์กันแน่นิสัยใจคอก็ไม่ใช่โอกาสทางความรัก แต่เป็นโอกาสทางความสุขเพราะนิสัยใจคอไม่ใช่แม่เหล็กที่ดึงดูดได้ ท, ทันทีต้องใช้เวลาในการเห็นน้ำใจและวิธีคิดกันนานๆจึงจะรู้ว่าคนคนหนึ่งเหมือนบ้านอบอุ่นหรือคุกอันตรายความมีแก่ใจเกื้อกูลกันและกันคือโอกาสทางความรักพระพุทธเจ้าตรัสว่า ต่อให้อดีตเคยอยู่ร่วมกันชั้นสามีพันยาแต่ถ้าไม่เกื้อกูลกันและกันในชีวิตนี้ความรักก็เกิดขึ้นไม่ได้แล้วถึงแม้รักแต่กลับไม่ซื่อต่อกันความรักก็อยู่ไม่ได้นานความรู้สึกอ่อนหวานและอยากอยู่ด้วยกันนานๆเกิดขึ้นจากการร่วมมือกันไม่ใช่การพยายามตบมืออยู่ข้างเดียว ด้วยเหตุนี้ความรักทั้นหญิงชายจึงไม่ใช่ธรรมชาติสาธารณะเป็นเรื่องเฉพาะคู่เฉพาะตัวกะเกณียนเอาอย่างใจไม่ได้เกิดขึ้นได้ยากพบยากและรักษาให้อยู่ยืนตลอดรอดฝั่งได้ยากภาพประกอบผู้หญิงคนหนึ่งร้องขึ้นว่าฉันสวยกว่าชัดๆทำไมไม่ใช่ฉัน ที่เขาเลือกตอบว่าเพราะเขาเลือกความสุขทางใจไม่ใช่ความตื่นตะลึงทางตา